มีวิบากสองส่วนในปัจจุบันทีเดียวคือ 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. รู้จิความถูกใจ 3. อนุสวรร์การฟังหรือเรียนตามกันมา 4. อาการะปริวิตั ก, กะการคิดตรองตามแนวเหตุผล 5. ทิฏฐินิชานักขันติความเข้ากันได้กับการเพ่งพินิษ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 ว่าเป็นทัศนคติแบบอนุรักษ์หรือคุ้มครองสัจจะว่าบุรุษผู้เป็นวินยูเมื่อจะอนุรักษ์สัจจะไม่ควรลงความเห็นในเรื่องนั้นเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเลวไหลทั้งนั้นถ้าแม้นบุรุษมีความเชื่อศรัทธาอยู่อย่างหนึ่งเมื่อเขากล่าวว่าข้าพระเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้ยังชื่อว่าเขาอนุรักษ์สัจจะอยู่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 มีการเรียนต่อกันมามีการคิดตรองตามเหตุผลมีความเห็นที่ตรงกับทฤษฎีของตนอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเห็นที่ถูกใจอย่างนี้มีการเล่าเรียนมาอย่างนี้มีสิ่งที่คิดตรองตามเหตุผลได้อย่างนี้มีความเห็นตามทฤษฎีของตนว่าอย่างนี้ก็อย่างชื่อว่าเขายังคุ้มครองสัจจะอยู่แต่จะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปเป็นอย่างเดียวว่า อย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเหล๋วไหลทั้งนั้นไม่ได้ก่อนด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ชื่อว่ามีการคุ้มครองสัจจะและคนผู้นั้นก็ชื่อว่าคุ้มครองสัจจะอีกทั้งเราก็มัญญัิการคุ้มครองสัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการยังรู้สัจจะท่าทีนี้ปรากฏชัดเมื่อตรจาะจงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คือในคราวที่มีคนภายนอกกำลังพูดสันเสริญบ้างติเตียนบ้างซึ่งพระพุทธศาสนาพระภิกษุสงฆ์ก็นำเรื่องนั้นมาสนทนากันในพรมจารสูตรที่คณิกายศีลขันธวัชพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้ามีคนพวกอื่นมากล่าวติเตียนเราติเตียนรรมติเตียนสงเธอทั้งหลายไม่ควรอาฆาตไม่ควรเศร้าเสียใจ ไม่ควรแค้นเคืองเพราะคำติเตียนนั้นถ้าเธอทั้งหลายโกรธเคืองหรือเศร้าเสียใจเพราะคำติเตียนนั้นก็จะกลายเป็นอันตรายแก่พวกเธอทั้งหลายเองนั่นแหละคือหากคนพวกอื่นติเตียนเราติเตียนธรรมติเตียนสงถ้าเธอทั้งหลายโกรธเคืองเศร้าเสียใจเพราะคำติเตียนนั้นแล้วเธอทั้งหลายจะรู้ชัดถ้อยคำนี้ของเขาว่าพูดถูกพูดผิดได้ละหรือ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 สิ่งนี้ไม่มีในพวกเราสิ่งนี้หาไม่ได้ในหมูพวกเราภิกษุทั้งหลายถ้ามีคนพวกอื่นกล่าวชมเราชมธรรมชมสงเธอทั้งหลายไม่ควรเริงใจไม่ควรดีใจไม่ควรกระยิมลำพองใจในคำชมนั้นถ้ามีคนมากล่าวชมเราชมธรรมชมสงหากเธอทั้งหลายเริงใจลำพองใจแล้วใส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 มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญนาฏต่อจากสัจจานุรักษ์การอนุรักษ์หรือกุ้มครองสัจจะพระพุทธเจ้าทรงแสดงสัจจานุพจน์และสัจจานุบัติคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ยังรู้สัจจะและเข้าถึงสัจจะและในกระบวนการปฏิบัตินี้จะมองเห็นการเกิดสัทธาความหมายความสําคัญและขอบเขตความสาคัญของสัทธาไปด้วยดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า ด้วยข้อปฏิบัติเท่าใดจึงจะมีการอย่างรู้สัจจะและบุคคลจึงจะชื่อว่าอย่างรู้สัจจะเมื่อได้ยินข่าวว่ามีภิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ขฤเรหะ บ, บดีก็ดีบุตรข้เรหะ บ, บดีก็ดีเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วย่อมใกล้ครวนดูในธรรมจาพวกโลภะธรรมจาพวกโทสะธรรมจาพวกโมหะว่า ท่านผู้นี้มีธรรมจำพวกโลภะที่จะเป็นเหตุครอบงําจิตใจทําให้กล่าวได้ตั้งที่ไม่รู้ว่ารู้ทั้งที่ไม่เห็นว่าเห็นหรือทําให้เที่ยวชักชวนคนอื่นให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดกุ๊กชั่วการันานแก่คนอื่นๆหรือไม่ <S 2> <S 2> <S 2> <S เมื่อเขาพิจารณาตัวเธออยู่รู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีธรรมจำพวกโลภะที่จะเป็นเหตุครอบนําจิตใจ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 อย่างรู้ได้ยากเป็นของสงบประนีตไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยตักกะและะเอียดอ่อนบัณฑิตจึงรู้ได้ธรรมนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนโลภจะแสดงได้ง่ายๆเมื่อใดเขาพิจารณาตรวจดูมองเห็นว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมจำพวกโลภแล้วเมื่อนั้นเขาย่อมพิจารณาตรวจดูเธอยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก ในธรรมจำพวกโทสะในธรรมจำพวกโมหะเมื่อใดเขาพิจารณาตรวจดูมองเห็นว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมจำพวกโมหะแล้วคราวนั้นเขาย่อมฝังศรัทธาลงในเธอเขาเกิดศรัทธาแล้วก็เข้าหาเมื่อเข้าหาก็คอยนั่งอยู่ใกล้คบหาเมื่อคอยนั่งอยู่ใกล้ก็เงี่ยโสดลง ตั้งใจคอยฟังเมื่อเงี่ยโสดลงก็ได้สดับธรรมครั้นสดับแล้วก็ส่งทำไว้ย่อมพิจารณาไตรตรองอัฏฐะแห่งธรรมที่ส่งไว้เมื่อไตรตรองอัฏฐะอยู่ก็เห็นชอบด้วยกับข้อธรรมตามที่ทนต่อการคิดเพ่งพิสูจน์เมื่อเห็นชอบด้วยกับข้อธรรมดังที่คิดเพ่งพิสูจน์ฉันทะก็เกิดเมื่อเกิดฉันทะก็อุตสาหะ ครั้นอุตสาหะแล้วก็เอามาคิดทบทวนเทียบเคียงครั้นเทียบเคียงแล้วก็ย่อมลงมือทำความเพียรเมื่อลงมือทำทุ่มเทจิตใจให้แล้วก็ย่อมทำปรมัตสัจจะให้แจ้งกับตัวและเห็นแจ้งแทงตลอดปรมาตสัจจะนั้นด้วยปัญญาด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้ชื่อว่ามีสั จ, จานุโพจน์การอย่างรู้สัจจะ และบุคคลชื่อว่าอย่างรู้สัจจะและเราย่อมบัญญัติการอย่างรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงสัจจะก่อนด้วยข้อปฏิบัติเท่าใดจึงมีการเข้าถึงสัจจะและคนจึงจะเข้าถึงสัจจะการอาศสวนณะการเจริญการกระทาให้มากซึ่งทำเหล่านั้นแหละชื่อว่า เป็นสัจจานุบัติการเข้าถึงสัจจะ